ชุราเมธีบรรยายณบริษัทยูแทคไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2557ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบัดนะนี้ เกินพรท่านประธานคณะผู้บริหารชาวอยู่แท็กชีวิตของตัวเราเองนะโดยตัวเราเองไม่มีอะไรมากมายหรอกอยู่ไปไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่คือความจริงเคยเห็นไหมคนที่เกิดมาในโลกแล้วปรากฏว่ายังไม่ตายเหลือไหมถ้าเดินไปเจอบอกนะแบบเกิดมาตั้งแต่ยุคมีโลกครั้งแรกเลยรุ่นไดนโนเสาร์ยังเหลืออยู่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 จนกระทั่งหกสิบเกษียณแล้วก็ยังถามาขนาดหลังวันกเกษียณนะตื่นมายังถามวันนี้ฉันจะได้อะไรถ้าทาอย่างนี้ตลอดชีวิตไม่ประเสริฐชีวิตคนประเสริฐก็ต่อมาถามว่าฉันจะให้อะไรนะเราต้องให้และรับให้เป็นรับและให้เนี้ต้องทําให้เป็นนะคนที่รับอย่างเดียววันหนึ่งอาจจะเสียทุกอย่างที่รับ คนได้ให้อย่างเดียวโดวยไม่รู้จักศิลปะการรับวันหนึ่งหมดเนื้อหมดตัวได้เ<ม>พราะถ้าให้ไม่เป็นจะกลายเป็นคนโง่ใจดีนะเคยเห็นใหมคนโง่ใจดีรับทุกคนสงสารทุกคนจะไปซื้อกับข้าวอยู่แล้วมีอยู่ยี่สิบบาทเจอคนมาขอควักให้เอาไปเถอะนะด้วก็เป็นลมให้แบบหมดใจภูมิใจครั้งสุดท้ายแล้วก็ตายเลยทาดี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 จะให้อะไรสักอย่างให้ดูว่าคนคนนั้นมีคุณค่าควรรับไหมให้ไปแล้วไม่เห็นคุณค่ารับไปแล้วไม่ทำให้เกิดประโยชน์สมเจตนารมณ์ของผู้ให้คั้งหน้ามาขออยากให้นี่พุทธเจ้าจท่านตรัสไว้อย่างนี้ฉะนั้นคุณค่าของคนขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นบุคคลแห่งการให้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องหน้าโมทนาที่ทางองค์กรของเราได้สืบสายทานแห่งการให้มาจนบันี้ นี่คือวัฒนธรรมแห่งกันให้ที่เราสืบกันต่อมาตั้งแต่ศตวรรเก่าจนถึงศิวรรปัจจุบันซึ่งเราจะมาอยากจะขออนุโมทนาและแสดงความภาคภูมิใจกับพวกเราวันนี่เป็นความรับผิดชอบสังคมคนเราถ้าเราได้เป็นผู้ให้แล้วเนี่ยชีวิตมันมีคุณค่านะแต่ถ้าเราไม่เคยให้อะไรกับใครเลยเนี่ยวันหนึงเราเจ็บแค่ได้ป่วยนั้นแบบอยู่บนเตียงเจนอยู่เจนไปเนี่ยหลับตาลงถามตัวเอง S <S ฉันเคยทำอะไรดีๆไป้บ้างมองไม่เห็นเลยคนนอนสองก็เห็นมาให้ก็ บ, นบน่นนบ่นคือแกใส่ยู่นะแต่แกบ่นบ่นวันนี้ปีนี้มาเยอะสามบนมาทำไมเยอะเยอะบ่นเสร็จควักไปเลยยี่สิบบาทแต่อธิษฐานเท่ากับคนที่ให้พันบาทเท่ากันเลยเวลาอธิษฐานเนี่ย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 ทำมาให้มันไม่ได้หมายความว่ามันต้องใช้เงินใช้ทองส่งมาไปนะไม่จําเป็นเช่นสิทธิ์เก่าทั้งหลายก็ให้แบบอย่างที่ดีแก่รุ่นหลังเนี่ยหลายท่านหลายคนเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่กลับออกไปก็ไปทําประโยชน์หมดประสบความสําเร็จหรือไม่รู้จะให้อะไรเลยนะให้เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเช่นตอนที่เรายังทําอะไรดีๆได้อยู่เราฝากเรื่องราวดีๆไว้เป็นแรงบันดาลใจได้ไหม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 ไม่ใช่เรื่องเล่นเนใช่ไหมถ้าเปิดทิงทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะไฟอีกใช่ไหมผู้บริหารเก่าโคจิบูดมเคยเล่าว่ามีปีไหนปีสี่ศูนย์ใช่ไห ม, ม, าา ม, ไหมที่เจอวิกฤตที่เราใช้นโยบายรัดเข็มขัดอะ่ะปิดน้ําปิดไฟประหยัดได้ปีละเท่าไหร่ได้หลายหลายล้านนะห้าหกล้านต่อปีใช่นะเนี่ยฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะปิดน้ําปิดไฟนะมันเป็นวีรกรรมนะพวกเราที่ที่เป็นพนัก ง, งานตัวเล็กอาจจะคิดว่าไม่เห็นสําคัญ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 ดาวที่เห็นบนหัวโลกกับดาวที่กรุงเทพดวงเดียวกันเด็กเขาก็เลยทำอะ่ะแต่ทำไมหนูไม่เห็นที่กรุงเทพอะ่ะก็ไปบอกพระว่าให้รีไฟสักคืนหน่อย <c oughs> ใช่ไหมไฟมันเยอะแต่เราจรึงไม่เห็นความงามของธรรมชาติฉะนั้นการเป็นคนดีไม่ยากเลยไม่รู้จะให้อะไรนะ่ะเราให้แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังก็ได้แบบอย่างนี้สำคัญมากนะ บางครั้งบางหตเรารนนรงหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเมืองไทยนี่ล้มเหลวมาตลาด ก, ก, การรนนรง์เรารณรงแม้กระทั่งเรื่องทิ้งขยะใช่ไหมทุกวันนี้เรายังรณรงค์เรื่องเข้าขิวใช่ไหมตอนนี้เลยสิ่งที่รณรงค์เลยรวมกันเป็นสิบสองข้อคั้นในโยมสิบสองหลายเรื่องในคั้นิยมสิบสองบ้านอื่นเมืองอื่นเลิกรณรงหมดแล้วเขาทาเป็นหมดแล้วแต่บ้านเรายังต้องมาทํากันอยู่เพราะเราเนี่ย หาแบบอย่างดีๆได้ยากในบ้านอื่นเมืองอื่นน่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีนะเกาทำให้ดีอย่างเกาหลีใต้เนี่ยทำไมเป็นประเทศมาหาอหนาจทางเศรษฐกิจตอนนี้นญี่ปุ่นยังเกรงเลยตอนนะี้ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ไปไหนไม่ได้ละเจอซัมซุงเข้าไปเนี่ยโซนีแจ็คสกเลยนะใช่ไหมแอปเปิ้ยังเดือดร้อนเลยเจอ a ั s u ุงของเกาหลีใต้เข้าไปยังเจออะไรนักร้องไตคนหนึ่งนะ เพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเป็นพันล้านวิวอะไรก็ไม่รู้ประเทศนี้สร้างตัวหลังเมืองไทยสร้างตัวหลังเมืองไทยนะอายุประชาธิปไตยแค่40ปีมั้งไทย80ปีแล้วแต่ของเขาทำไมมั่นองจนคนของเขามีคุณภาพพอที่จะไปเป็นเลขาธิการยูเอได้ทำได้ไงพระผู้ใหญ่เขาได้สร้างแบบอย่างที่ดี เช่นกฎหมายเขาเข้มงวดมีประธานาธิบดีอดีตนะสงคนเข้าคุกเพราะเขาหาคอร์รัปชันอีกคนหนึ่งเมื่อสามปีก่อนโดดหน้าผาตายอาดีตประธานาธิบดีนะไม่ได้โกงเองแต่คนใกล้ชิดพัวพันธ์ท่านเขียนจดหมายลาตายบอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบเพราะผมรู้สึกละอายแก่ใจที่ทำให้ประชาชนผิดหวงัง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 แล้วก็มีรูปสันเขื่อนนะเฉียงๆมีรูปเด็กคนหนึ่งปืนอยู่ตรงสันเขื่อนแล้วเอามือจิ้มแขกไปใครมาตรงเมืองจำลองนี้ก็ต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นอาดมาก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเด็กคนนี้สําคัญยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่านี่ในอดีตเมื่อนานมากแล้วเมื่อแรกสร้างบ้านแปลงเมืองเนเธอร์แลนด์เ น, นเธอร์แลนด์แล้วผนเดนที่ต่ำกว่านะ้ะเขากั้นแผ่นเดนนะสร้างบ้านสร้างเมืองนะกั้นแผนเดน กั้นทะเลมาให้ไหลเข้าบ้านเข้าเมาืองจึงชื่อวันเดอร์แลนด์หรือเดอร์แลนด์พันดินที่ต่ำกว่าน้ําเมื่อสร้างเขื่อนสร้างอะไรเรียบร้อยอยู่กันมาอย่างมีความสุขมีอยู่วันหนึ่งเจ้าหนูคนหนึ่งปันจักรยานไปทําธุระกลับมาตอนพลบค่าได้ยินเสียงน้ําไหลออกจากเขื่อนผิดปกติเป็นขึ้นไปดูปรากฏว่าเจอรูรั่วตรงสันเขื่อนเด็กชายคนนี้คิดว่าจะปั่นจักรยานเข้าเมืองไปเรียกคนนหม ันเข้าไปก็ไม่ทันทำไงก็คิดตามเด็กอะ่ะคิดตามภาษาเด็กเอามือไปจิ้มเลยจิ้มไมไม่ให้น้ำรั่วอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเน่จนคนมาเจอในรุ่งเชา้าเรื่องนี้กลายเป็นวีรกรรมที่น่าสนใจมากเล่าลือไปทางบ้านทั้งเมืองว่ า, น, า, า น, นี่คือจิตอาสานี่คือหัวใจพระโพธิสัต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 เนในเเธอร์แลนด์ประเทศซึ่งอายุไม่นานหรอกทุกวันนี้กลายเป็นประเทศที่ใครๆก็ต้องไปไปดูดอกทิวลิปไปดูการจัด ก, การน้ำที่ดีที่สุดของโลกอัดมาไปเกือบทุกปีได้รับเป็นนิมนต์ประเทศไปสอนกับทุกปีมีลูกศิษย์ฝรั่งของพระอาจารย์เยอะแยะเดี๋ยวนี้นำทาวัดสวดมนต์ได้หมดเลยเป็นฝรั่งสอนสมาธิภาวนาก็ได้เห็นนะเนี่ยบ้านเมืองที่เจริญนะเพราะ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 มันไมล้างอาารย์เลยบอกลูกไปจัดการกันแล้วไม่ค่อยมาคุยกันเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเนี่ยความรับผิดชอบต่สอสังคมมันเริ่มที่หลังจานเริ่มที่เปลี่ยนแปลงโลกหรือเราตื่นขึ้นมาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกอยากจะรับผิดชอบต่สอสังคมตื่นขึ้นมาเนี่ยจัดที่นอนตัวเองก่อนเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆปะปะหอมก่อนอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยฉะนั้นชีวิตนี้จะมีคุณค่าต่อเมื่อเราอ่ะ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 มันไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกอะไรก็ได้เป็นคนเล็กๆที่มีคุณค่าเหมือนเป็นดอกแอ๊ดเล็กๆที่ได้บานเต็มศักยภาพของมันเราไม่จําเป็นต้องเป็นดอกทิวลิปรอกเราเป็นดอกแอข้างทางก็ได้แต่เวลาบานอ่ะให้บานให้สุดศักยภาพของดวงดอกไม้อย่าไปบานขึ้นๆกลางๆแลบานกรีบเดียวก็พอละนะมีกวีเขียนไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนเขาเฮมาลัย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 อาจามาเคยพูดเสมอว่าเวลาทำงานผลของงานจะย้อนกลับมาสร้างคนและคนทำงานก็มีสองประเภทหนึ่งทำสักแต่ว่าทำสองทำให้ดีที่สุดทำสักแต่ว่าทำคือพวกทำพอผ่านถ้าเป็นการตัดเกรดพวกนี้จะได้เกรดเอเกรดผ่านธรรมดาธรรมดาในเวลาที่เราเรียนปริญญาโทมันจะมีเกรด A, B, C, D เกรดบางตัวซึ่งไม่มีหน่วยจเทากเอสธรรมดาคือประเมินผ่านผ่านไปอย่างนั้น ก็เหมือนแกแะเดินรวมกันเป็นฝูงยี่สิบตัวมันเดินด้วยกันไปหมดนะเคยเห็นแกะเดินไหมถ้าไม่เคยเห็นอยู่แถกต้องปิดหนึ่งวันพาไปดูแกะส่วนพึง <c oughs> ่งมีเยอะอะไรฟรังแกะและแกะมันเดินนะใช่หมาตัวเดียวแกะร้อยตัวก็ใช่หมาตัวเดียวล้อมหน้าล้อมหลังเฮาห้องของห้องแกะไปกันเป็นฝูงเลยกลัวอะไรไม่ลูกคนส่วนให ญ, ญ่นะทําตัวเหมือนแกะ คือยังไงมึงทำอะไรรว ม, มกันไปหมดไม่มีความคิดตั้งสันเป็นของตัวเองทํางานก็ทํางานพอผ่านเท่านั้นแหะไม่ไม่ไม่กล้าทํา ด, ดีๆเดี๋ยวกลัวคนอื่นว่าทําเด่นก็ไม่ไม่กลา้าแล้วคนภายในชอบกดกันนะบอกว่าจงทําดีแต่อย่าเด่นน่ะคนรุ่นใหม่เลยไม่อยากทําอะไรเด่นเลยอเอาแค่พอผ่านหมดไม่รู้ใครสอนนะ่นเนี่ยเคยจำบทกวีได้เขาเขียนว่าอันที่จริงคนเขาใคร่ ให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส่จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินตกลงมันจะส่งเสริมหรืออะไรเนี <c oughs> ช่วยกันฟังหน่อยสิบทนี้หรือเปล่ามันทำให้คนกกก็กล้ๆกลัวคนไทยเนะยี่ยโยมว่ามีส่วนไหมอ่ามาฟังใหม่นะว่าตกลงบทนี้มันจะส่งเสริมหรือมันจะดักคอกันนะ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 มันขัดแย้งกันอยู่ตรงเนี้อาตมาชิว่านี้มีส่วนมากกวีบทนี้คือฐานคิดของคนไทยนะคนไทยทําอะไรไม่สุดหรอกใช่ไหมทําอะไรก็กล้ากลัวๆยึกยักยักยักยักขึ้นยักตื่นติดกึกยักลึกติดกัดเจ้านายจะส่งเสริมก็ไม่เอาพี่หนูหนูไม่เอาหนูแค่นี้พอละนะะหลายคนเป็นอย่างนี้นะก็จะส่งเสริมขึ้นข้างบนน่ะกลัว นี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งทําให้เราไม่มีความเจริญเด่นเก้านะเพราะเรากักตัวเองโลกทัศน์แบบกักตัวเองเนี่ยทําให้ศักยภาพไม่ได้รับการปลดปล่อยในต่างประเทศนั้นถ้าใครเก่งเขาดันทันทีและถือว่าคนมีความคิดสร้างสารรค์นั้นเป็นคนที่น่าส่งเสริมบ้านเราบางทีเนี่ยวัฒนธรรมไทยของเราในบางทีเนี่ยคนคิดสร้างสารรค์มองว่าเก้าเราใช่ไหมคิดใหม่หาว่าแปลกแยก ดังนั้นจึงไม่ไม่มีใครอยากเป็นแกะดําทุกคนอยากเป็นแกะในฝูงเดินรวมกันไปไหลกันไปเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดอืมครั้งหนึ่งอาตมาภาพเคยไปไงานพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่หญท่านทําบุญมันเกิดท่านเป็นครูบาแตมาก็ได้รับนิมนต์ไปผมว่าคนเข้าแถวกันนะเป็นหมื่นคนอาตมาไปหลังสวดจะไปเทศแหละแต่ตาก็ไม่ใช้อภิสิทธิ์หรอกอะเขาไหลกันไปเราก็ไหลไปสิ แล้วก็เดินตามทายเข้าไปไหลไปไหลไปไห ล, ไ ป, หลไปเราคิดว่าที่ไหลไหลไปเนี่ยจะไปเจอมหาวิหารที่หลวงปู่ท่านอยู่พอไหลไปสุดทางเอ้านั่นมันทางไปห้องนะ้ํานี่มันเข้าห้องน้าทีแล้วหมื่นคนเลยเขาทำเชือกแล้วเป็นลายเนี่ยอะไรเนี่ยอัตา ม, มามาเทศปรากฏว่าจุดที่จะเทศอยู่ที่หนึ่งไอ้ที่ไหลกันออกกันไปเนี่ยคลองน้ํา สะเพือนใจเจอทุกวันนี้ตั้งแต่นั้นมาฉันไม่ไหลาตามใครมีปากฉันจะถามถามเลยลองดุครั้งเดียวว่าลองไปใช้อพิสิตดูสิเขาไปไหนละไปกันนั้นอ้อกันไปแบบชนกันเลยนะเราคิดตรงนั้นแน่ๆละคนสำคัญอยู่เห็นไหมนีม่คนไทยนะแล้วไม่ได้มีอรตมาคนเดียวที่ไหลกันไปครึ่งหนึ่งคือเข้าใจผิด ไปอ่ออยู่หน้าห้องนะำ <c oughs> นี่แหละเพราะฉะ <c oughs> นั้นบางครั้งเนี่ยเวลาเราทํางานเราต้องเปลี่ยนใหม่นะท่าทีในการทํางา น, น่ะจับทําอะไรก็ตามได้รับมอบหมายให้ทําอะไรก็ตามให้ถือกติทําให้ดีที่สุดณจุดที่ทําแต่รับมอบหมายให้สวมหัวโขวนอะไรก็ตามให้ถือกติเป็นให้ดีที่สุดณจุดที่เป็นถ้าอย่างนี้สําเร็จทุกคนนะย้อนกลับไปมองตัวเองซิว่าเราทําอย่างนั้นหรอือเปล่า หรือทำสักว่าพอผ่านๆถึงเวลาลวเขามาทำงานวันนี้ถ้านายอยู่คึกคักทำให้นายเห็นพอนายออกไปประชุมแนละ้วความขยันลดล ง, งหอบดึงโทรศัพท์ออกมาดูไลน์เป็นหลักนะเงินเดือนก็ไม่ได้มันดูเลยนักหนะสาสไลด์ทั้งวันใช่ไหมฉะนั้นจับทำอะไรก็ตามนะไม่ว่าคนจะเห็นไม่เห็นทำให้เต็มที่แล้วทาให้ดีที่สุดคนที่เขาสำเร็จทุกคนเขาไม่ทาอะไรพอผ่าน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 ไม่ว่าจะเป็นจับหนูจับกวางจั บ, บวัวมากินเป็นอาหารพราชสี์จะใช้พละงกำลังทั้งหมดร้อยเปอร์ซพอจับหนูปั๊บก็ใช้ศักยภาพของราชสีย์ร้อยเปอร์เซน์ล้มกวางหนึ่งตัวก็ใช้พละงกำลังร้อยเปอร์เซนล้มวัวหนึ่งตัวก็ร0อยเปอร์น จับนกสักตัวหนึ่งก็ร้อยเปอร์เซนตแล้วพระองค์ก็สรุปว่าราชสีเนี่ยทำงานด้วยศักยภาพทั้งหมดเท่าที่เมฉันได้เราตถาคตก่อทางานฉันนั้นนั่นคือไม่ว่าจะสอนคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาพระมหากษัตริย์จนถึงนายพรานดักจับนกและโสเภณีเราตถาคตใช้ศักยภาพเท่ากันไม่มีออมือนะ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 ทั้งหนึ่งมีโสเภณีคนหนึ่งมา น, นิมนต์พระองค์ท่านพระองค์ท่านรับกิจในมนต์พอหญิงสเภณีคนนั้นกลับไปมีคณะของพระราชาคณะหนึ่งยกกันมาทั้งวังเลยมานิมนต์พระองค์ท่านไปเสวยในวังพระพุทธเจ้าไม่ไปพระราชาก็ต่อรองกับพระองค์ขอพระองค์ไปเสวยในวังพระพุทธเจ้าไม่เราเพิ่งรับปากกับโสเภณีคนหนึ่งว่าจะไปฉันที่บ้านของเธอ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 เธอเป็นพระราชาไปเลยหนึ่งวันและเอาคิวพระพุทธเจ้ามาอย่มคิดดูสิจิโตเฟนิกก็บอกว่าฝ่าพระบาทได้ฝ่าละองทุลีพระบาทปกลาปกาปกระหมอ่อมฉันรอมาทั้งชีวิตที่จะได้เป็นสภาพถวายาพระทหารพระพุทธองค์สักมื้อนึงหม่อมฉันเป็นคนต่ําต้อยด้อยค่ะ ไปทูลเชิญทูลอาราธนาพระองค์ยังทรงรับก็เมื่อพระองค์ทรงรับแล้วหม่อมฉันจะปล่อยคิวของพระพุทธเจ้าได้อย่างไงเรื่องคิวไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไปถามยูแทกเลยนี่โมโนธรรมาปีหนึ่งมาได้ครั้งเดียวตอนนั้นเลยขนาเราเป็นพระเด็กๆนะคุณเดียวนะไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลยไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าหรอกศา ส, สดาเอกของโลก ถ้าล็อกคิวได้แล้วอัตมาก็ไม่ปล่อยเหมือนกันยิ <c oughs> ่งโซเฟนีนี่ไม่ยอมเลยนะพระราชาถึงขนาดบอกว่าเธอเอาวังไปเธอเอาราชาสมบัติไปและฉันให้เธอเป็นพระราชาแทนฉันเธอยอมไหมโซเฟนีบอกจ้างให้ก็ไม่ยอมโอกาสในการได้ถวายเพลนถวายพระทหารพระพุทธเจ้านั้นเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในที่สุดโซเฟนีก็ไม่ยอมและพระพุทธองค์ก็ไม่ยอมไปในวังด้วย เมื่อถึงเวลาจริงๆพระองค์ก็ไปเสวยที่บ้านของโสเภณีเห็นไหมโสเภณีซึ่งคือใครๆมองว่าต่ําต้อยด้ยค่าพระพุทธองค์ก็ทรงให้เกียรติทรงเคารพเธอในฐานะที่เธอก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานนั่หละลทุกคนมีศักดิก์ศรีใหมือนกันเป็นมนุษย์เรา จ, จะแตกต่างกันโดยเรื่องชนชั้นวันรณมสีผิวภาษาวัฒนธรรมสถานภาพทางสังคมแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดเมื่อเราถอนสมมุติออก เราจะเห็นว่าคนที่อยู่ข้างหน้าของเรานั้นคือมนุษย์เหมือนกันกับเราฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเสมอภาคกันตรงที่ต่างก็เป็นมนุษย์เหมือ น, น, น, นกันกับเราพระพุทธองค์จึงทรงเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เมื่อรับกินนในมลของโสเภณีแล้วต่อให้มีพระราชามหากษัตริย์มาขอคิวพระองค์ก็ไม่ให้นี่คือประจักษ์พยานว่าการทํางานแบบพระพุทธเจ้านั้นเต็มร้อยสมมาพ่อทั้งจิตวิญญาณของเราทํางานแบบนี้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 พอฟังธรรมภาพเทศวิธีทำงานแบบพระพุทธเจ้าจบเขาคลานเข้ามากราบบอกโอ้พระอาจารย์ผมต้องไปปฏิรูปการทำงานใหม่หมดเลยทำไมล่ะลูกก็เพราะผมไม่ได้ทำงานแบบพระพุทธเจ้าน่ะสิของผมนะถ้าเงินงามๆนะ้ผมไปโชว์ตัวในผมร้องเพลงเต็มที่เลยแต่ถ้างานการกุศลผมร้องเฉพาะท่อนหกก็ลงละเห็นไหมเนี่ยก็สัใจเป็นอย่างนี้นะ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 แกสลักเห็นรูปปั้นเดวิดเอาไว้ประติมากรรมปรติมากรรมเดวิดรูปนี้เป็นรูปี่เรื่องชื่อไม่ต้องสลักลายเซ็นเต็ด น, น, นะพู้จักกันทั้งโลกดาวินชีก็ไม่ได้ทำอะไรมากทั้งชีวิตกว่ารูปวาผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อโมนาลิซาสวยหยาดฟ้ามาเดียนจนเจ้าของมาเอาคืนก็ไม่ให้สวยเกินเก็บไว้เอง ทุกวันนี้ประดับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โูฟกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีงานศิลปะไม่ต่ำกว่าสองแสนชิ้นใช่ไหมพวกคนที่ไปโูฟอยากไปดูโมนาลิซ่ายิ้มอาตมาไปประเทศฝรั่งเศสเกือบทุกปีทุกปีเมื่อเทศเสร็จอาตมาก็ต้องแวะไปหาโมนาลิซ่าเหมือนโดมินัดกัน <c oughs> ไม่มีไปครั้งไหนที่เธอจะว่างนะ เธอไม่เคยว่างคุยกับธรรมาตัวตัวเลยเชื่อไหมรูปเล็กิดเดียวนระืรูปเล็กมากเป็นโปสเตอร์นะ่ะขนาดของรูปก็คือเหมือนโปสเตอร์ขนาดกลางนะ่ะรูปหนึ่งนะติดอยู่ที่ผนังใจกลางพิพิธภัณฑ์โลกแล้วก็มีกระจกกันกระสุนกันไว้ทุกครั้งี่รมภาพแวะไปธรรมภาพต้องไปมองท้ายถอยคนอื่นก่อน นับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่ออะไรรอต่อคิวแต่ทุกคนที่เข้าไปนะไปถึงปับ๊บบางคนยังไม่ทันดูรูปเลยนะยังไม่ทันดูเลยว่าทำไมรูปนี้ถึงมีรอยยิ้มที่หน้าพิสวงดึงดูดขนาด น, นี้พอไปถึงแถวหน้าปับ๊บทุกคนจะหันกลับมาถ่ายรูปก่อนเพราะอะไรไม่งั้นไม่ทันเนื่องจากคนที่มารอยอยู่ข้างหลังจะผลักจะผลัก พอคุณหลุดโอกาสจากการไปยืนตรงหน้านะคุณาพาดไปก้าวเดียวคนอื่นแทนทันทีเพราะคนมันเป็นหมืนม่นๆนะจะไม่พลาดแจาได้ดีไปปีรแรกๆบันไดหินอ่อนยังเรียบร้อยดีไปปีที่แล้วบันไดหินอ่อนยวบหินอ่อนยังสึกเพราะคนเหยียบเพราะคนเข้าที่นั่นโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละห้าล้านคนพวกเราอยากไปเห็นไหมบอกท่านประธานดูแท็กนะ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 ยากมากที่จะประสบความสำเรัจ น, นี่คือลักษณะการทำงานของพระพุทธเจ้ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาไปศึกษาวิธีทำงานของคนสำคัญของโลกเช่นศึกษาวิธีทำงานของวงดนตรีเดอะบิทเทลนะรู้จักไหมเดอะบิทเ l ลดิเอ็มเมจิอร์แนนอนรู้จักไหมอาจารย์ก็เกิดไม่ทันหรอกแต่วงนีวงนี้เป็นวงดนตรีอัจฉริยะของโลก บินจางเต ด, ดไปแสดงที่อเมริกาครั้งแรกคนไปรับที่สนามบินหนึ่งแสนคนแฟนเพลงเป็นลมคาสนามบินนับไม่ถ้วนจร์แนนนยังไม่ทันทำอะไรเลยเดินออกประตูเครื่องบินมานะ่ะแบกกีต้าร์ตัวหนึ่งแค่นั้นกรี๊ดสลบเป็นที่มาของคำว่ากรี๊ดสลบนะคือสลบจริงๆคนมันเยอะมากงานวิจัยจ้นนี้เขาเขียนไม่เลยว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จในระดับตำหน่กเขาทำงานยังไงเขาศึกษา The b ิทโ l นะศึกษาเบลเกสศึกษา Steve Jobs แล้วก็สรุปว่าคนที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องพุ่มเทเขี้ยวครามทำงานหนักในระดับหมื่นชั่วโมงขึ้นหมื่นชั่วโมงนะ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 ที่เราเห็นคือตัวตึกสูงราฟ้าอยู่ข้างบนรับแขกบ้านแขกเมืองทั้งโลกใครอยากถ่ายรูปด้วยตึกสูงราฟ้าระดับโลกแต่รู้ไหมว่าอะไรที่ยัดยืนให้ตึกนั้นพังงาดขึ้นไปอยู่ท่ามกลางท้องฟ้านภาเกเสาเข็มนับร้อยเ ล, ยเลย่มฉะนั้นรากฐานที่สำคัญของความรุ่งโรจน์นะไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างรากฐานของวงดนตรีเดบิโทก็คือ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 พวกเรานี่ทํางานหาเงินบิลเกตนี่ไม่ได้หาเงินแต่หาเงินระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นให้เงินทํางานแล้วใช้เงินนะหัวปักหัวปั๊มเลยตอนนี้เงินบิลเกตใช้ไม่บัญญะบรรดังเลยให้เงินทํางานแทนัน้เงินงกบ ก, กทํางานแทนบิลเกตส่วนตัวเขาทําอะไรทํางานเพื่อสังคมคณะถอยออกมาห่างขนาดนี้ก็ยังคงเป็นอภิมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลก ปีที่แล้วต่มาพาโชคดีได้ไปแสดงทางที่อเมริกาแล้วก็ไปแวะดูมูลนิธิ Bill บลเกสอยู่ครึ่งวันชอบชีว่าประวัติของเขาก็เลยตามรอย Bill บลเกสไปที่บริษัทม i โครซอฟ t ์ Microsoft. เสร็จจากบริษัทก็ไปดูที่มูลนิธิเบลเกสจากนั้นก็ไปมหาวิทยาลัยสแนฟอร์ดไปดูตึกที่เขาสร้างไปมหาวิทยาลัยวอชิงตันดูตึกที่เขาสร้างและอุทิศให้แม่ รอยของเขาอยู่ที่ไหนเราตามไปหมดอยากรู้ว่าคนคนนี้สำเร็จได้ยังไงนอกจากศึกษาตามไปดูแล้วเนี่ยก็อ่านงานวิจัยด้วยงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่า บ, บ, บ, บิลเกตผ่านการซ้อมมาหมื่นชัว่วโมงเพราะนับแต่เรียนมัธยมนะที่โรงเรียนของเขานั้นมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเขาก็ได้ลงทะเบียนเรียนวิชายคอมพิวเตอร์ที่นั่นเรียนตามปกติใน เพื่อมรงเรียนยังไม่พอนะพรากลับมาบ้านเที่ยงคืนพ่อแม่เข้านอนแล้วแอมหนีออกจากบ้านไปเล่นคอมพิวเตอร์กับเพื่อนที่โรงเรียนจนถึงหกมงเช้ากลับมาแต่งตัวที่บ้านกินข้าวกับพ่อแม่พ่อแม่ไม่รู้เรื่องทำอยู่อย่างนี้เป็นปีๆพอไปถึงโรงเรียนหลับประจำครูบ่นประจาว่าเจ้าเด็กเนิร์ดคนนี้นะไม่ตั้งใจเรียนเลยเอาแต่หลับ ครูไม่รู้ว่าเขาเพิกออกจากห้องเรียนเมื่อหกโมงแล้วกลับไปกินข้าวแล้วก็มาใหม่อีกรอบหนึงฝึกฝึกฝึกฝึกจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อจบมัธยมปลายเขาไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยฮาวาดแล้วก็ยังรู้สึกว่าถึงรักคอมพิวเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงในที่สุดตัดสินใจออกมาเปิดบริษัทกับเพื่อนเลยโฮออลเลนในวันที่เปิดบริษัทนั้นเขาติดต่อนายทุนนายทุนบริษัทยกใหญ่หิ้วกระเป๋ามาหาเขา เปิดประตูมาเจอบิลเกตนั่งอยู่ในห้องรับแขกนายทุนยักษ์ใหญ่ถามนะ้องท่านประธานอยู่ไหนเด็ <c oughs> กชายบิลเกตในสายตาของนักลงทุนนะมองว่าเป็นเด็กชายแต่ก็เป็นหนุ่มเนิร์ดเหมือนมั้งักก็เบิกส่วนเบ้นโตโ ต, ตผมเผ้าปล่อยตามธรรมชาติเสื้อผ้าอาภรณ์ธรรมดาที่สุด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 ปรากฏว่าล้มแลว้วเห็นหรือยังงานวิจัยบอกว่ากว่าที่เบลเกสจะสำเร็จผ่านการเขียนกรกรมตัวเองนะด้วยการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เรียนมัธยมเป็นเวลามากกว่าหมื่นชั่วโมงนี่คือหลักการทำงานแบบพระพุทธเจ้านะอาตมาภาพเอาทฤษฎีหมื่นชั่วโมงไปศึกษาชีว่าประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สเสด็จหนีออกจากวัง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 เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมเขียนคิ้วเขียนตาทำดั่งทำจมูกเปลี่ยนเครื่องประดับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เปลี่ยนเลขที่บ้านเปลี่ยนแม้กระทั่งสามีเก่าเมียเก่าล้อหมดเพื่อให้ความฝันของทั้งนั้นบรรลุผลฉันยอมเปลี่ยนทุกอย่างแต่แล้วก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะคุณเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นวิธีคิด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 ดันั้นเขาจึงนิยามคนโง่ไว้ว่าคนโง่หม า, ายความว่าคนที่พยายามทําอะไรเหมือนเดิมแล้วคาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆพวกเราเคยทำไหมทาแบบเดิมอ่ะและ้วคาดหวังว่าสิ่งดีๆจะมีมาในปีใหม่นี้แต่ถามว่าแล้วใช้ชีวิตยังไงแบบเดิมพอถึงปีใหม่ไปซื้อแดอรี่มาเล่มหนึ่งเอาแล้วตั้งใจจะเขียนแดอรี่เขียนไปสามวันเลิก ตั้งใจจะตื่นเช้าตื่นได้สองวันเลิกเห็นไหมตั้งใจว่าจะเล่นโยคะจัดหนักไปห้าวานันป่วยเข้าโรงพยาบาลเลิกไม่ถึงหมื่นชั่วโมองเลิกหมดเนี่ยคนที่สำเร็จกับคนที่ล้มแล้วมันต่างกันตรงนี้เพราะนั้นเราอยากประสบความสำเร็จนะไม่ต้องไปบนบานสารกล่าวไม่ต้องไปหาคุณวิเศษไว้สายอะไรมาพอมาพูนมาเป็นตัวช่วยรเราเปลี่ยนวิธีที่เราคิด พอเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเท่านั้นชีวิตทั้งชีวิตมันเปลี่ยนเพราะอะไรจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวไงพุทองค์จึงตรัสว่าจิตแต่ น, นะ้นเนยติโลโก โ, โลกหมุนไปตามความคิดโลกหมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราจะได้โลกอย่างนั้นนะโลกใ น, นที่นี้หมายถึงชีวิตเราคุณภาพชีวิตคุณภาพคนคุณภาพงานมันขึ้นอยู่กับความคิดหมด เอาเบบไอสไตล์ก็พูดเหมือนพระพุทธเจ้าหรือบางทีอาจจะก๊อปปี้ได้ซ้านะแกบอกว่า imagination is more important than knowledge จินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้นี่ก็คือการให้ราคาแก่ความคิดนะคนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะเขาสำเร็จตั้งแต่ในวิธีคิดคนกระจอกก็คิดอะไรแค่แค่นี้ก็พอละไม่ต้องอะไรมากมาย พอเพื่อนทุ่มเททำงานนเดินก็ไปบอกทำไมจกต้องทำกันขนาดนี้ทำแค่นี้ก็พอแล้วทุ่มเทไปก็เท่านั้นแหละนายไม่เห็นหัวหรอกนายพูดอย่างนี้นะชาตินี้ก็เต็มที่ก็เป็นมนุษย์พอผ่านนะอยากเป็นไหมมนุษย์มีสองประเภทนะหนึ่งมนุษย์ทันยอดสองมนุษย์พอผ่านเราอยากให้คนพูดถึงเราว่ายัางไงมนุษย์ฉันยอดก็คือ มนุษย์มืออาชีพเห็นหน้าปับ๊บคนเชื่ออะไรวะโอ้คนนี้มาเองหรอองโหพลาดไม่ได้อยากเจอไหมอยากเจอไหมอยากให้เขาพูดถึงเราอย่างนี้ไหมโอ้โหวันนี้คนนี้มาพูดหรือต้องไปนี่ไม่ใช่ได้ยินวิทยากรจะมาพูดอะไเหรอ <c ười> แกไปเถอฉันไม่ไปหรอกเนี <c ười> ่ยเราอยาเป็นคนอย่างนั้นไหม เป็นคนทั้งทีต้องเป็นคนที่คนอื่นได้ยินชื่อแล้วรู้สึกร้องว้าวนะอยากให้คนได้ยินชื่อเราแล้วร้องว้าวไหมตือร้องอี <c oughs> ฉะนั้นเป็นคนทั้งดีต้องเป็นมนุษย์ชั้นดีที่เรียกว่าเมืออชีอย่าเป็นมนุษย์พอผ่านทำอะไรสักแต่ว่าทาตามๆกันแล้วก็ไม่ได้มักได้ผลอะไร เนี่ยหลักการทํางานแบบพระพุทธเจ้านะพ่อทางจิตวิญญาณของเราทำอะไรก็ตา่างทำให้เต็มที่และทําให้ดีทีสุดพ่ออีกคนหนึ่งก็คือท่านพุทธทาสพุทธทาสภิกขุเป็นพ่อทางจิตวิญญาณของอเราชาวพุทธท่านมีชื่อเสียงเรื่องลือระเบือไกลไปทั่วโลกมีก่อนพระอาจารย์ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยฮาวาด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 ท่าเล่าว่าทําเอาแมวเซ็งแมวเซ็งหมาเซ็งแมลงสาบเซ็งขันกะทิสิบรอบแล้วโยนกาทิ้งแมลงสาบเดินไปตามบอกไม่เหลืออะไรกินท่านบอกว่านี่ฉันได้มาจากแม่ท่านพูดอย่างนี้หลยครั้งหนึ่งท่านเทศในวันในวันแม่แห่งชาติท่านบอกว่าถ้าใครชื่นชมอัตมภาพว่าพอจะทําอะไรได้ดีมีชื่ออยู่บ้าง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 นะและหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าอยากาไปทิ้งยังเอาไปแปรรูปทําอย่างอื่นได้อีกและท่านได้นี้จากแม่ของท่านมานะสมมติท่านฉันข้าวถ้าท่านใช้ทิชชู่เช็ดเช็ดปากเช็ดมือเสร็จแล้วท่านจะาวางไหมถ้ามันแห้งท่านพลิกอีกด้านหนึ่งใช้ต่อใบนบรรดาบันทึกของท่านพุทธทธานมากกว่าสองแสนชิ้น คือหลังจากท่านมรณาภาพไปนะท่านทิ้งมรดกทางภูมิบรรยา ก, กว่าสองแสนชิ้นไว้ให้โลกจนกระทั่งว่าลูกศิษย์ต้องตั้งหอจดมาเหตุพุทธทาสขึ้นมารองรับเพราะมันเยอะพวกเรารู้ไหมครึ่งต่อครึ่งของสมุดบันทึกที่ท่านบันทึกไม่ใช่สมุดเป็นชองจดหมายที่โยมไปบริจาคโยมเป็นนิ ม, มนต์กาดงานศพกาดงานแต่งที่คนเอาไปให้ท่าน สำหรับคนอื่นของเรานี้เปิดดูครั้งเดียวก็ทิ้งใช่ไหมเปล่าท่านพุทธทาสเก็บนะแนวคิดดีๆของท่านหลายชิน้นปรากฏว่าท่านเขียนลงบนสรงจดหมายเหลือทิ้งเขียนลงบนการงานสอบการงานแต่งซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วแต่ท่านเก็บบทท่านคิดไอเดียอะไรใหม่ๆแลวท่านเขียนเขียนเขียนเขียนท่านก็บอกว่านี่ใส่ใช้ของให้คุ้มอาตมาก็ได้มาจากแม่ เนี่ยพวกเราลองประหยัดดูซิใช้ทุกเสียงทุกอย่างให้คุ้มค่าขนาดนี้ทำได้ไหมมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านเราว่าเป็นหนังสือที่ภูมิใจมากใช้เป็นอนุสณ์แทนตัวได้คือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อริยสัจจากพระโอษฐ์ไกวรยธรรมสามเล่มนะชุดเนี่ยท่านบอกว่าใช้ตายแทนตัวใช้วางแทนตัวได้ วันหนึ่งเมื่อธรรมภาพตายแล้วหนังสือชุดนี้เป็นตัวแทนของธรรมภาพได้ทามัดแต่งกี่ปีท่านบอกว่าคลาอยู่ยี่สิบปีพวกเราสู้ไหมแต่งหนังสือเล่มหนึ่งยี่สิบปีสู้ไหมให้เขียนคำนำรายงานขรึ่งหน้ายังจะตายเลวใช่ไหมไปก๊อปปี้คนนั้นคนนี้มาแล้วก็เปลี่ยนฟอน ใช่ไหมนี่คือคนรุ่นใหม่ <c oughs> ก็ปี้วางก็ปี้วางเปลี่ยนฟอนต์นิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวก็เป็นของเรา <c oughs> ใช่ไหมนี่คือคนรุ่นนี้เจนไวไหมอดไม่ไมทนอะไรหรอกใจเร็วดวนได้ยุคท่านพุทธเาแกเียนหนังสือเล่มหนึ่งใช้เวลา20ปีและไม่มีพระไ ต, ตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์วิธีคน้นพระไตรปิฎก45เล่มเป็นล้านบรรทัด กวสองหมื esa, ่นนะใช้วิธีพลิกทีละหน้าแล้วต้องการข้อความไหนจดบันทึกไว้คัดลอกออกมาแล้วเด็ดพิมพ์เด็ดด้วยมือจนท่านล่ว่าท่านน่ะนิ้วล็อกเพราะดีดพิมพ์เด็ดทุกวันตอกเต็กตอกเต็กตอกเต็กตอกเต็กทุกวันทุวันทุกวันทำกันอย่างนั้นเขียนแล้วเอาไปตีพิมพ์แล้วตีพิมพ์เสร็จส่งกลับมาตรวจไม่พอใจเขียนเพิ่มเขียนเพิ่ม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 ทำงานอยู่ที่ส่วนโมกท่านพุทธทน์ก็บอกว่าคุณจะไปรู้อะไรผมนี่เหมือนพ่อครัวชั้นดีพ่อครัวชั้นดีนั้นต้องไปหาวัตถุดิบมาเตรียมไว้แล้วเตรียมเครื่องครัวให้พร้อมปรุงไว้ให้เสร็จสัรพลูกค้าเดินเข้าร้านมาสั่งปุ๊บเราปรุงและยื่นเลยที่ผมทําไว้ทั้งหมดนี่คืออาหารทางปัญญาของชาวโลกคุณจาําไว้ วันหนึ่งจะถึงเวลาที่โลกต้องการทำและเมื่อวันนั้นมาถึงนี่คืออาหารทางปัญญาที่ผมปรุงไว้แล้วปรากฏว่าพอท่านลงรับดาขัอยูในสโกประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทุกวันนี้คนศึกษางานของท่านทั่วโลกและไม่มีใครบ่นเลยเพราะอะไรท่านทำไว้ครบหมดเ อ, อบทุกแง่ทุก ม, มุมท่านพูดทุกๆประเด็นเลยทีเดียวเห็นไหม ตำรับตำรามรนามีทั้งหลายเนี่ยชุดของพุทธท่านเนี่ยตอนนี้เอาวางจากพื้นในสูงเฉอเพดานนะลายมืออีกกว่าสองแสชิ้นมีคนทำวิจัยจบปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพราะท่านเกินกว่าสองรอคนในโลกนี้เห็นหรืยอยังนี่คือพ่อครัวหัวป่าทางเวนดานทำงานทุกชนิดโดยการถือกติว่าหนึ่งทอะไรก็ตามนะจะทาให้ดีที่สุด เหมือนยอมแม่สอนคันกะทิขันจนกระทั่งว่าแมวเซ็งในกากมะพร้าวไม่เหลืออะไรให้ดูดรับชึมชับแล้วแมลงสาบเดินไปดมยังถอยนหนีเลยนั่นอะ่ะสองหายวัสดุทุกชนิดให้คุ้มค่าที่สุดเป็นต้นแบบของการประหยัดรีไซเคิลสามเมื่อทำงานทุกจ้น วางชีวิตลงเป็นดันพันปราทานาว่าเมื่อเราลงรับดับขันไปงานนั้นจะอยู่เป็นอนุสาวรีย์แทนตัวเราทัวนี้ท่านลงรับดับขันไปแล้วแต่ชื่อนี้ยังอยู่ไหมชื่อนี้ไม่มีเลือนหายเลยนี่วิธีทำงานของพวกเราพ่อคนที่สองเอามาถึงพ่ออีกคนหนึ่งซึ่งผู้จะคนจะหลักสำคัญอะไรเพราะเราไม่รู้จักหรอกแต่ยากจะเล่าไว้เพราะว่าวันนี้วันที่สอง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 เอาแรงเข้าแรกเท่าที่จะสามารถหล่อเลี้ยงลูกได้มีอยู่ปีหนึ่งธรรมภาพจะต้องไปเข้าโรงเรียนตอนนั้นอายุเจ็ดขวบพี่ชายพี่สาวเข้าโรงเรียนอธรรมภาพนี่ถูกปล่อยให้ตามพ่อตามแม่ไปน้ำไปหนองไปหาอยู่หากินจนมีชีวิตกตมกืนเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติรอบบ้านไม่รู้เลยว่าโลกนี้นะเด็กต้องไปโรงเรียน าตามยมพ่อไปหนองไปหนองน้ําไปหาปลาตามยมพ่อไปปา่าไปหาของปา่าตามยมพ่อไปขึ้นไปปีนต้นหมากยมพ่อปีนต้นหมากครับจ้างอาตมาพ่อไปยือนอยู่ข้างล่างยมพ่อปีนนานมากจากต้นหนึ่งกระโดดไปอีกต้นหนึ่งเป็นยี่สิบต้นสามสิบต้นไม่ลงสเสียเดีเรายืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นหมากแล้วก็ตามยมพ่อไปไปบนภูเขาไปเกลืเห็ด เป็นหาไข่มดแดงจนชีวิตของอาตามภาพเนี่ยถ้าไม่อยู่เขาก็อยู่ป่าก็อยู่หนองน้ําอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงไม่รู้ด้วยซ้ำมาเด็กทุกคนต้องไปโรงเรียนวันหนึ่งเมื่ออายุเจ็ดขวบเพื่อนเพื่อนรอบๆเนะี่ยเข้าไปโรงเรียนกันหมดอาตามภาพไม่ไปแม่พ่อญาติพี่น้องต้อนไปโรงเรียนไม่ไปอาตมภาพวิ่งเข้าไปในเรือ่องในสวนนะไล่ล่ากันอยู่ครึ่งวัน จะฉับไปโรงเรียนไม่ไปวิ่งจนกระทั่งวั น, หนเหนื่อยหอบกันทั้งพ่อแม่ลูกสุดท้ายตับประาพากกลับเข้าไปใต้ถุนบ้านยัพ่อเข้าไปไม่ถึง ใ, ใต้ถุนบ้านมันเตี้ยพ่อก้มลงไปมองธรรมาธรรมานั่งยองๆแอบอยู่หลังเสาพ่อตะโกนถามว่าไม่อยากไปโรงเรียน ระวังจะโง่งเหมือนพ่อนะเป็นคำเดียวจริงๆที่ทำให้เจ้าเด็กน้อยคนนั้นคลานออกมาจากหลังเสาแล้วมาสะอยบ่วยเท้าของพ่อพ่อจับอาบน้ำและอุ้มไปที่โรงเรียนพ่อไปส่งแม่ไปส่งจำได้พอไปถึงในาห้องเรียนคุณครูมารับพ่อแม่หันหลังกลับร้องให้สุดเสียงเลยโอ้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 สามสี่สิบเก้าทุกคนยี่สิบอัตมาหลุดสาวคนเดียวทั้งห้องหันมามองเป็นตาเดียวมาจากป่าไหนยังจำความเขินเขินอายตอนน้นได้จนหนึ่งทุกวันนี้นี่คือคนที่โง่ที่สุดคนหนึ่งของหมู่บ้านและพ่อกับแม่ต้องปวนกับอัตมาพัพ์อีกนับอาทิตย์ เพื่อได้จะปล้าให้ไปโรงเรียนและเห็นคุณค่าของการเรียนอาตมามาย้อนนึกดูถ้าวันนั้นอาตมาภาพไม่ฟังยมพ่อไม่จุกคิดว่าถ้าไม่ไปโรงเรียนจะโง่งวันที่พ่อสอนตอนนี้จะเอาปัญญาที่ไหนมาเทศมาสอนมาเขียนหนังสือหรือมาทําประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมโลกพ่อตาแมภาพเรียนไม่สูงถ้าจะพูดให้ถูก พ่อไม่ได้เรียนแต่การเรียนกับการมีปัญญานั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปสต e ปจอบก็เรียนไม่จบมาสกเกอร์เบิร์ก็เรียนไม่จบ b เบลเกสก็เรียนไม่จบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดสรู้ในมหาวิทยาลัยห้าบทรัชการที่สี่รัชการที่ห้าที่รับมือกับจักรวรรดินิยมตะวันตกก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัย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 อะไรที่เรายังไม่เข้าใจแสดงว่าเราให้ความสนใจมันยังไม่มากพอนี่คือยมพอ่อของอันดามาภพซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยชีวหมแล้วสอนลูกด้วยคำสอนที่ไม่ซับซ้อนเลยถ้าไม่อยากโง่เหมือนพ่อไปโรงเรียนเนี่ยท่านอยากฝากพวกเราทุกคนความรู้นั้นเป็นของกลางวางนิ่งๆอยู่ในตํารับตาราหรือ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 นี่เป็นธรรมะจากยมพ่อของธรรมภาแต่เมื่อพูดถึงพ่อก็ต้องพูดถึงแม่นิดหนึ่งแม่ก็สอนสั้นมากนะแม่บอกว่าขึ้นห้วยขึ้นให้สุดขุนนะลูกแปลว่าทําอะไรก็ตามทําให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตรมภาพเมื่อเรียนหนังสือตั้งปณิธานว่าถ้าฉันเรียนหนังสือฉันจะไปให้ถึงประเด็นทํามก้าวไปอุ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 ายผ่อนคลายชีวันนับปัจจุบันยัดยงตรงนี้ลมหายใจ Return.